ก็ขอจเจริญธรรมชนิดที่ช่วงบ่าพี่รองผู้รักสุขภาพทุกท่านนะคะแต่ประทับใจทั้งพิธีกรและปฏิบัติกรเนานะได้ข้อคิดเยอะเลยอย่างปฏิบัติกรท่านแรกเนี่ยพี่เล็ ก, ก น, นะก็เจอหลายหลายครั้งแหละนะต้องชื่นชมเขาเพราะว่า <c oughs> พี่เขาเฟรชชี่มากเลยนะพลังมีเต็มมากกว่าคอร์สที่ผ่านๆมาโดยเฉพาะในเรื่องของพลังใจเนาะ ใจเนี่ยเป็นประธานของทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าใจดีทุกอย่างดีหมดเลยถ้าเราทําใจให้คิดว่าหายมันก็หายแต่ถ้าเราทําใจให้กลัวนะไม่ว่าจะกลัวโรคภัยนะไม่ว่าจะกลัวในเรื่องของปัญหาต่างๆเนี่ยแพ้ตั้งแต่ยังไม่ออกไปสู้แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณวันที่หกที่เจ็ดนะเราจะเรียนรู้ถึงความมหัศจรรย์ของจิต ใครที่มาเข้าค่าสุขภาพของแพรยวิถีพุทธเนี่ยถ้าไม่ได้ผ่าตัดจิตวิญญาณนะไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องของจิตจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะดีเฉพาะช่วงแรกนะมันต้องเข้าไปถึงเนื้อแท้แทของการเกิดโรคโดยเฉพาะในเรื่องจิตนะคะแต่ก่อนนี้ตัวเองไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของพลังจิตนะไม่เชื่อในเรื่องของเอาจิตมารักษากาันเตอคนไข้หลายๆคน พอเราแก้ปัญหาเรื่องจิตได้เนี่ยการรักษานี่เร็วมากเลยนะเพราะฉะนั้นนี่จะบรรยายให้ฟังในเรื่องของความมหัศจรรย์ของจิตอย่างที่เล็กในได้ได้เรื่องของจิตนะโดยเฉพาะในเรื่องธรรมะตอนนี้ที่เขาไม่กลัวมะเร็งนะเขาบอกเขามีความสุขมากนะบางครั้งนี่ในคอร์สของพวกเรานี้จะสอนในเรื่องของการอยู่กับมะเร็งอย่างเป็นกัลายาณมิตรนะอยู่กับโรคอย่างมีความสุขที่เรา ตายกันหรือว่าเจ็บป่วยกันหนะักทุกวันนี้เพราะเรากลัวโกูกเรากลัวสิ่งที่เราเป็นนะถ้าเราเชื่อพระเจ้าเดียวเกิดแกะเจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเราจะไม่กลัวถ้าใครไม่กลัวคนนั้นมีโอกาสชนะร้อยเปเซนต์เลยนะ หรือถ้าวิบากหนะักก็อาจจะมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นนะคะเพราะฉะนั้นนี่พยายามอยู่ต่อนะฟังในเรื่องของจิตให้ฉับก่อนในช่วงนี้พี่น้องมาอยู่ไข้เป็นวันที่สามเป็นวันที่พิกตีหน่ะขึ้นนะคะวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะได้นำเรียนพี่น้องไปตั้งแต่วันแรกแล้วว่าท่านจะต้องเจออะไรนะไข้ก็จะมีปวดหัวก็จะมีแน่นท้องไม่สบายปวดหลังปวดเอวมีหมดหลย พอพิษที่มันสะสมอยู่ในตัวเราอะ่ะตอนนี้มันโดนกระแทกก็นะเราใช้อาหารนี้ไปดึงเขาออกมาพอพิษมันร้า เ้าสุ่กระแสเลือดเนี่ยเลือดมันวิ่งไปทุกที่ของร่างกายเนี่ยมันจะทําให้เรามีปัญหากับทุกระบบเลย mm hmm. ยิ่งคนไหนที่เป็นโรคเรือดังมาเยอะๆแล้วทานยาสาสมไว้พิษมันจะกระแทกมากขึ้นบางคนจะท้อแต่ว่าได้นําเรียนพี่น้องไปตั้งแต่ตอนแรกว่าต้องเจอนะคะแต่บางท่านก็ไม่เจอก็ไม่เป็นไรถือว่าสุขภาพท่านดีนะคะแต่ถ้าท่านเจอแล้วท่านอย่าได้ ก, กลัวรีบช่วยเขาขับพิษออกให้ได้เร็วที่สุดท่านอย่านอนแค่พิษนะคะแล้วประเด็นหนึ่งที่ประทับใจท่านพิธิกร หมอดาสุภาในเรื่องจานได้เล่าถึงประวัติของตัวเองให้ฟังในเรื่องของท่านเคยเจ็บป่วยนะเท่าที่ฟังชีวิตก็โอ้ทรหดอดทนมากเลยนะต้องไปนอนคลุกกับโคลนเะนี่ยเพราะมันร้อนมากเป็นภาวะร้อนจัดนะทีนี้นี่ตรงหนึ่งที่จาย์พูดก็คือสมองเขียวเมตตาเมตตาเนี่ยอกอุ้มแต่คําว่าอกอุ้มไม่แต่หมายความว่า ต้องป ja. ระคับประคองให้เข้าอ่อนแอนะคะโอบอุ้มปกป้องเพื qu ่อให้เขาเป็นคนที่มีความแข็งแรงกล้าสู้กล้าเผชิญปัญหาเอ๊ะมันต่างกันยังไงก็เหมือนตอนนี้แหละที่พี่น้องมาเข้าค่ายสุขภาพเนี่ยเราจะไม่พยายามโอบอุ้มท่านจะให้ท่านช่วยตัวเองให้มากที่สุดถ้าท่านช่วยตัวเองได้แล้วอยู่ในค่ายแบบไม่พ yes. okay. uh huh. <Yes, um. ึ่งคนอื่นหรือพึ่งคนอื่นน้อยเนี่ย ถือว่าท่านสุดยอดแหละเพราะการที่ท่านได้พัฒนาจิตวิญญาณให้ขึ้นตัวเองได้เนี่ยจิตของท่านจะเกิดความเข้มแข็งมากถ้าท่านไม่ฝึกตรงนี้ไปมันจะมีผลตอนไหนตอนที่ท่านเจ็บป่วยและตอนที่กายตัว น, นี้จะแตกดับตอนที่ดินน้ำลมไฟตัว น, นี้จะแยกออกจากกันในสภาวะที่ดินน้ำลมไฟแยกออกจากกันมันจะมีอาการทุกอย่างเลยอย่างคนไข้มะเร็งนะนมะเร็งเต้านม ไม่ได้มีแค่นี้ไม่ได้เจ็บปวดเฉพาะบริเวณเต้านมนั่นนะ อ, อกก็จะมีนะหายใจไม่ออกก็จะมีนะสารพัดเลยอาเจียนถ่ายเลี้ยวทุกอย่างจะมีหมดถ้าคนไหนไม่ฝึกอธกิจิตคือจิตให้สูงขึ้นหรือสร้างพลังจิตให้แข้มแขรงขึ้นท่านจะทรมานมากกว่าที่ท่านเป็นมะเร็ง พวกกายตัวนี้มันจะแยกออกจากกาันดินน้ําลมไฟแยกออกา ก, กาันเพราะฉะนั้นค่ายของพวกเราจะเน้นเรื่องนี้มากบางคนไม่เข้าใจเอมาเนี่ยไม่เห็นหมอไปเยี่ยมเลยน้อยอกน้อยจังหมอมองนะพยายามจะถามว่าคนไข้อยู่ที่ไหนนะจะถามคนที่มาบอกเขามีปัญหาอะไรเร่งด่วนไหมมีภาวะวิกฤตไหมถ้าไม่มีให้เขาช่วยไปก่อนเขาจะได้เพิ่มอธิจิตคือความเข้มแข็งของจิตเขามากขึ้นมันเป็นกําไร ไม่มีค่ายไหนหรอกที่จะฝึกให้พวกเราได้พัฒนาในเรื่องของจิตวิญญาณแบบเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะประเคนให้นะ หรือว่าเราพูดร้ายกับเขาเกินไปก็ไม่รู้นะเพราะเราไม่เคย เ, เคยแตเข้าค่ายแต่ค่ายของเราเนี่ยจะเหมือนทิ้งๆิงคง้คว่างๆจริงๆไม่ใช่นะพวกเราดูท่านตลอดเวลานะคะอยากให้ท่านเข้มแข็งอยากให้ท่านพึ่งตัวเองให้มากถ้าท่านผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยจิตวิญญาณของท่านจะพัฒนาไปเร็วมากนะเราจะข้ามทุกเราจะข้ามปัญหาทุกอย่างในชีวิตเนี่ยได้ดีมากเลยนะคะแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็มาตามอาจารย์ได้นะ หรือวันสุดท้ายเนี่ยหกเจ็ดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเดินไปหาคนไทยในวันแรกทุกวันที่ห้าส่วนใหญ่จะไม่ไปนะอยากให้พวกเราเข้มแข็งนะอยากให้พวกเรามีโจทย์ถ้าหมอไปช่วยหมดเนี่ยท่านไม่มีโจทย์ในการแก้ปัญหาอยา่าลืมว่าพวกเรามาเรียนเป็นหมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคปฏิบัติทฤษฎีปฏิบัติอยู่ในนี้หมดเลยในระยะเวจ็ดวันเรียนรู้ทั้งการปฏิบัติทฤษฎีนะ เมื่อปฏิบัติมันจําไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราต้องแก้แบบไหนนะคะแล้วโจทย์ที่จะมาทําให้ท่านได้ทดลองก็คือตัวท่านนั่นแหละหรือบางครั้งก็หาคนข้างเคียงนะคะฝึกคัว้าซาจากคนอื่นคนอื่นมาฝึกเอาตัวเราเป็นอาจารย์เราก็เอาตัวเพื่อนมาฝึกหัดขู่หัด ด, ห ด, ดูว่า คิดไยที่อยู่ในตัวเรามันเกรดไหนนะคะเพราะฉะนั้นีบางท่านบอกอ ม, มานี่อาจารย์ไม่เดินไปดูเลยและอาจารย์ดูตลอดเวลานะคะเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เข้าไปหานอกจากว่าท่านมีภาวะอะไรเร่งด่วนนะคะนะทีนี้นี่จะนําเรียนในเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคะนะก่อนที่จะเข้าสู่ในเรื่องของต่อจากคุณหมอเขียวมัช้านะคะ เอออย่างพี่เล็กเนี่ยจะพูดถึงว่าพี่เล็กที่เป็นมะเร็งเต้านมนะมะเร็งเต้านมเนี่ยถ้าดูแลไม่ดีมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะบางคนมันก็จะวาวาวัวแบ่งแบ่งใบตะปุมตะปั่ ม, มน่ากลัวมากอันนี้เป็นมะเร็งลิ้นที่ปานะจริงๆแล้วี่ในเรื่องของมะเร็งเนี่ยแพทย์แผนปัจจุบันจะมองแค่ว่านะเกิดจากพันธุ ก, กรรมมั่งแหละนะเกิดจากพฤติกรรมที่ผิดเพี้ยนมั่งแหละนะนะเกิดจากอาหารการกินความเครียดมั่งแหละนะ อันนั้นก็ใช่แต่ตรงหนึ่งที่แพทย์ทางแพทย์แพทย์แผนปัจจุบันมองข้ามก็คือในเรื่องของปลาง น, นะวันนี้เราจะเรียนเรื่องพลางกันปลางคือพลังที่เคลื่อนนะเคลื่อนไหวอยู่ในตัวเราเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวนาอาหารและพลังที่ดีเข้าสู่ร่างกายของเราและนาพลังที่ไม่ดีออกจากร่างกายของเรานะคะแพทย์ปัจจุบันไม่ได้มองตรงนี้แต่แพทย์ทางเลือกให้ความสาคัญมาก ปลาตรงนี้นี่ไม่สามารถที่จะตรวจ ด, ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ของแพทย์แผนปัจจุบันได้ตรวจ ด, ด้วยเครื่องอัลตาาราซาวด์ไม่ได้ตรวจ ด, ด้วยการเจาะเลือดหาไม่ได้แต่จะตรวจ ด, ด้วยอะไรวิธีแมะนะ ในแพทย์แผนจีนเขาจะใช้วิธีแม้ดูว่าปาราณทะลวงไหมและอีกตัวหนึ่งที่จะบ่งชี้ได้ว่ามีปราณจริงหรือในร่างกายเราเคอในตำราจีนในสมัยโบราณเขาจะมีจุดฝังเข็มนะเหมือนจุดเหมือนจุดที่พวกเราทําโยคะกดจุดต่างๆนี่แหละพาะกดลงไปเนี่ยสามารถรักษาโรคได้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของปราณ เ, เป็นเรื่องที่มีจริงนะคะสังเกตไหมเวลาบางทีเรามือหัวเนี่ย เราจัดกระดูกคอให้มันเข้าที่ปราณะดวงเนี่ยมันจะโล่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของปราณ น, นี่มีจริงที่นี้ปรานตรงนี้มันทำให้เกิดมะเร็งเต้านมได้อย่างไรนะคนข้างนอกที่ไม่ได้มาเรียนแพทย์วิถีพุทธจะมองไม่ออกในเรื่องนี้แต่พี่น้องได้มาเรียนเรื่องแพทย์วิถีพุทธนี่จะมองตรงนี้ออกและจะเฝ้าระวังได้นะคะ ทำไมคนในยุคปัจจุบันถึงเป็นมะเร็งเต้านมเยอะตัวหนึ่งที่มากกว่าในเรื่องของอาหารในเรื่องของปรานบริเวณนี้มันหรอกนะคะปรางคือพลังที่ขับเคลื่อนอยู่ในตัวเรานะคะทีนี้เนี่ยอย่างตอนเช้าที่เราทำโยคะกันทุกเช้าคุณหมอจะสอนในเรื่องกดจุดจงฝูเป็นจุดจุดหนึ่งที่รวมปรานบริเวณหน้าอกนะคะ มันจะอยู่รอยต่อระหว่างหัวไหล่เนี่ยนะคะถ้าจุดนี้มันอุดกั้นนะปลาหมันไม่ชะลวงมันจะทำให้เกิดเป็นมะเร็งเต้านมนะคนในยุค ป, ปัจจุบันผู้หญิงในยุค ป, ปัจจุบันเนี่ยทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เยอะเกินไปทำงานบนโต๊ะมากเกินไปนะหรือไม่กระังขับรถทีนี้เนี่ยเมื่อเราใช้งานในส่วนปลายมือหรือว่า ้ตรงนี้มากขึ้นมันจะทําให้อวัยวะตรงนี้คือกล้ามเนื้อบริเวณนี้เกิดการเกร็งนะดูดูดีๆนะฮะตรงนี้นี่เกิดการเกร็งนะทีนี้เมื่อเกิดอาการเกร็งปั๊บมันจะไปหดลัดเส้นลมปลาง น, นะเวลาเราทํางานแบบนี้ไปเรื่อยๆตรงนี้มันเกร็งมันไปหดลัดเส้นลมปรางทีนี้เส้นลมปรางระหว่างบนและล่างมันไม่ทะลวงตรงนี้มันเกิดการอุดกั้นปั๊บของดี คืออาหารออกซิเจนสารอาหารต่างๆมันผ่านมาเลี้ยงเต้านมไม่ได้นะฮะคือเนื้อเยื่อบริเวณเต้านมเราเนี่ยไม่ได้รับอาหารที่ดีเสร็จแล้วเนี่ยของเสียที่เกิดจากเกิดกระบวนการเมตาบอลิซึมเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับเคลื่อนผักผ่านไปปานตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นของเสียของดีเข้าออกไม่ได้มันเลยขังเนื้อเยื่อของเต้านมไว้ เนื้อเยื่อของเต้านมไม่ได้อาหารเกิดของเสียมากขึ้นเลยทําให้เนื้อเยื่อบริเวณเต้านมนี้เกิดการบาเดเจ็บก่อนถ้าคุณยังทําพฤติกรรมซ้ําๆและไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุคุณยังไปใช้ยาแก้ปวดทายกล้ามเนื้อบริเวณนี้อยู่แต่คุณไม่ได้คลายเส้นนมกลาณตรงนี้ให้มันชะลุทะลวงคุณไม่ได้ทําโยคะคุณไม่ได้ัวจารคุณปวดไว้ตรงนี้ทีละ ก็ไปเอาแต่ยาแก้ปวดมากินมันกินยาแก้ปวดมันแค่แคบรรเทาอาการแก้ปวดแต่มันไม่ได้คลายเส้นลมปราณตรงนี้ให้คุณน้าวันคุณกินยาเพิ่มไปเรื่อยเรื่อยพลังความร้อนจากยาตัวนั้นมันก็จะส่งมาผลมาถึงเต้านมที่กําลังบาดเจ็บอยู่ให้บาดเจ็บมากขึ้นพอบาดเจ็บมากขึ้นมากขึ้นเนื้อมันจะตายนะมันจะเริ่มจับเป็นซีดก่อนนั่นแหละคือมันกําลังเริ่มบาดเจ็บ นะเรายังสร้างเหตุปัจจัยและแก้ที่ปลายเหตุอาการบาเดเจ็บตัวนี้มันจะถูกตีกระหน่าไปเรื่อยๆจากยาเคมีที่คุณกินจากอาหารจากพฤติกรรมนะจากสิ่งที่คุณทําซ้ําๆการบาเดเจ็บมันจะเข้าสู่การตายเนื้อเยื่อที่ได้รับบาเดเจ็บจะเข้าสู่ภาวะเนื้อตาย พอเนื้อตายซ้ำซ้ำซ้ำมันก็เกิดการเน่าออกมามันจึงกลายเป็นมะเร็งเต้านมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอย่าลว่าปราณไม่สำคัญทำไมแค่ยแผนวิญญาณจึงวิเคราะห์โรคได้ช้า ทำไมหมันไปหาหมอทุกครั้งเลยแล้วมาเจอเอวบเริตอนปีสองปีตอนที่เริ่มเป็นใหม่ๆทำไมบอกคนไข้ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้มองเรื่องปรามในเรื่องพลังพระพุทธเจ้าสอนนะว่าคนเรานี้ประกอบไปด้วยสองเรื่องคือรูปธรรมและนามประธรรมนามประธรรมนั่นแหละคือเรื่องปรานไม่สามารถจับต้องได้จับไม่ได้เหมือนลมเนี่ยเราจับไม่ได้แต่เรามองเห็นลมเวลาพัดผ่านต้นพัดผ่านใบไม้ ไ, ไม้แขวงไปนั่นคือมีลมตัวปลานก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านใดก็ตามที่ทำงานนะอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะเกรงค้างหรือท่าเดียวนะฮะเขียนงานขับรถบ่อยๆหรือใช้งานบริเวณนี้บ่อยๆระวังมันจะเกิดมะเร็งเต้านมขึ้นมาถ้าแก้ไม่ถูกจุดนะคะคุณยังใช้ยาแก้ปวดไปเรื่อยๆเรื่อยามแถวนี้คุณไม่เคยเขียนเขาโลกนะ เมเช้าทุกเช้าอาจารย์จะสอนให้เขี่ยบริเวณจุดจงคู่นะเป็นศูนย์รวมของฟลานที่มันจะเปิดเข้าสู่บริเวณเต้านมนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่เรามีซีดนะหรือเป็นมะเร็งเต้านมพยายามเขียดจุดแถวนี้บ่อยๆให้มันเปิดให้มันโล่งนะคะ พลังมันถ่ายเคกลับไปกลับมาของดีเข้าได้ของเสียออกได้อาการของมะเร็งมันจะลดลงอย่างพี่เล็กนี่เขาก็ทําโยคะนะเขาก็กดจุดเขาก็ทําของเขาไปเรื่อยๆมะเร็งไม่ใช่เฉพาะเกิดจากกรรมพาันธุ์เกิดจากอาหารพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องในเรื่องของปราณก็เช่นกันนะคะแล้วอีกอันหนึ่งที่เราได้รับจากปราณบริเวณนี้มันล็อกคืออะไรถ้าปราณบริเวณนี้มันล็อก เอานิ้ว่าส่วนบนก็จะมีปัญหาสังเกตดูถ้าคนไหนทิ้งปัญหาการเปร่งค้างของเปร่งค้างของกล้ามเนื้อตรงนี้ไว้นานๆมันจะเกิดเป็นก้อนนะภาษาแพทย์แผนไทยเขาเรียกเม็ดจากคูนะลองคําดูก็ได้ หมอเคยไปกดให้คนไข้หลายคนที่มีการเลียนถวนมันจะหนีมือเลยมันวิ่งคลิบพลิบพลิบหนีเลยมเข ร, รียกเม็ดสาโคอันนั้นมันมีการเกรงค้างของกล้ามเนื้อมากเป็นเรื่ไปมันแน่นบางทีเนี่ยกดครั้งเดียวมันไม่ออกต้องใช้เป็นเดือนเป็นปีเลยค่อยๆเขี่ยออกนะไปเขียข่ยครั้งแรกเนี่ยบางทีมันวิ่งหนีมือเราไปเลยถ้าเราตามไปบี้มันอ่ะเราจะบาดเจ็บต้องค่อยๆทำเพราะมันสะสมมานาทีนี้เนี่ย ถ้าปราณบริเวณนี้ไม่ฉลวงในส่วนบนมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมืนหัวสังเกตเลยถ้าคนไหนทำได้ก้อนบริเวณนี้ที่มันวิ่งหนีมือเราไปหนีมือเรามาเนี่ยนอกจากจะมีปัญหาในเรื่องอวัยวะช่วงอกนะคะช่องอกเนี่ย เป็นมะเร็งเต้านมเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมมียการแน่นหนะ้า อ, อกหายใจไม่ออกคนนั้นจะมียการตาลายแล้วเวียนหัวไปด้วยเพราะปลางบริเวณนี้ไม่ฉลวงมันจะไปรัดเส้นลมปาณที่จะมาเลี้ยงสมองคนนั้นจะเป็นงง ง, งเออออเหมือนเวียนหัวอยู่ตลอดเวลาแล้วจะหูอืดจะตาลายแต่พวกเราไม่รู้ก็ไปใช้ยากแก้เวียนหัวนะยากแก้เวียนหัว <laughs> ยาแก้เรียนหัวมารับประทานเป็นประจําพอใช้ยาแก้เรียนหัวแล้วเกิดอะไรขึ้นปลายเหตุก็ะจะถูกแก้โดยใช้ยาแก้เวียนหัวต้นเหตุก็ไม่ได้แก้ตรงนี้ก็เลยล็อกไปล็อกมากลายเป็นก้อนเสร็จแล้วก็ได้ั้งพเริงเต้านมและการมึนหัวนะเพราะฉนั้นแก้ให้ถูกอย่ามองข้ามในเรื่องของลมปราณ น, นะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องกายวิภาพสลีระนะมาเรียนเรื่องตัวเรานี่แหละนะมาเรียนเรื่องลมปราณ ก่อนที่เราจะเป็นหมอให้ตัวเราเนี่ยเรามารู้ก่อนว่าเรามีองค์ประกอบอะไรตับไตไส้พุิมันอยู่ตรงไหนนะเอาข้าวกันแล้วกันก็นมีเวลา20นาทีนะคะนะบางคนอาจารย์ปรับมันอยู่ตรงไหนอะ่ะนะไม่ได้เรียนในเรื่องสารสุขมานะเพราะฉะนั้นจะเติมเต็มให้พี่น้องแพร่วิถีพุทธทุกท่านนะเรามาดูก่อนว่ามนุษย์เกิดมาได้อย่างไรมนุษย์ คนเราเนี่ยเกิดมาจากเชื้อของผู้ชายผสมกับไข่ของผู้หญิงอันนี้ไข่นะนะผสมกันนะก็เกิดเป็นคนนะมันจะไปผสมแบบไหนท่านก็นึกเอาก็แล้ว ก, กันเพราะตอนนี้ผสมในหลอดแก้วต้องมีใช่ไหมนะผสมเสร็จก็เกิดเป็นคนคนเนี่ยคนกับมนุษย์ไม่เหมือนกันนะต่างกันที่ไหนฮะรู้ไหมต่างกันตัวนามประธรรมมนุษย์กับคนเหมือนกันตรงคิดนามประธรรมคือมีธาตุทั้งสี่นะเพราะนั้นเนี่ย คนไหนจะเป็นคนหรือมนุษย์เขาจะวัดกันตรงนามธรรมานะในเรื่องของจิตวิ ญ, ญญาณถ้าคนไหนถือศีลห้าฟังธรรมะเป็นประจําขัดเกลีจิตใจตัวเองเป็นประจําคนนั้นจะได้เป็นมนุษย์แต่คนไหนมีเฉพาะกายนะธาตุทั้งสี่นะจิตใจไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ขัดเกลีจิตวิญญาตัวเองก็เป็นได้แค่คนนะคะทีนี้เนี่ยในเรื่องของรูปธรรม ท, ที่เกิดมาเป็นคนประกอบไปด้วยดินน้ําลมไฟธาตุทั้งสี่แต่ในเรื่องของนามธรรมา ท, ที่มันประกอบไปด้วยอะไรนะ ในหลักของของพุทธศาสนาเชื่อว่าเขาเชื่อเรื่องกรราเชื่อว่าเรื่องของพลังจิตหรือนามธรรมาเนี่ยมันเป็นรูปพลังงานนะที่สามารถที่จะเคลื่อนนะเคลื่อนไปไปได้ทุกที่นะคะแล้วพลังจิตหรือนามธรรมาตัวนี้เนี่ย สามารถที่จะทําให้เกิดการเกิดแก่เจ็บตายได้และสามารถที่จะทําให้เกิดการสลายได้คําว่าสลายไปก็คือไม่ต้องมาเกิดเป็นคนอีกหรือไม่ได้มาเกิดเป็นสัตว์เป็นอะไรอีกนะคะคือสลายไปเลยได้แต่จะสลายไปได้โดยใช้การล้างกิเลส น, นะคะคือปรินิพานนะคือไม่มีอะไรนั่นแหละคือสลายได้นะคะแต่ในส่วนของรูปธรรมเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบังคับเข้าได้ ะะเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นเรื่องธรรมดาที่รูปธรรมจะต้องมีแต่นามธรรมเนี่ยเรามักขับให้ได้ว่าไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่เก็บไม่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายแต่ต้องปฏิบัติธรรมในขั้นสูงนะคะนะทีนี้เนี่ยเมื่อเรารู้ว่าเราเกิดมาเป็นแบบนี้แล้วแต่ในเรื่องของจิตนี้จะไปขยายอีกทีนะฮะในเรื่องของนามธรรมแต่วันนี้จะเอาข้าวๆก่อนขอให้รู้เบื้องต้นว่าตัวเราประกอบไปได้วยรูปธรรมและนะนามธรรม ท, ทีนี้เนี่ยเมื่อเราเกิดมาเนี่ย มันมีพัฒนาการอย่างไรนะระยะของการเจริญเติบโตนี้เป็นอย่างไรในเรื่องของแพทย์ในปัจจุบันเขาก็จะแบ่งเป็นวัยเด็กอ่อนวัยแรกเกิดนะวัยเด็กอ่อนวัยก่อนเรียน วัยรุน่นอะไรคงเข้าไปน่ะเนาะนะท่องไปมันก็ปวดหัวไปนะเอาแบบแผนไทยดีกว่าแผนไทยนี่เขาจะแบ่งระยะนะหรือวัยของมนุษย์เนี่ยเป็น3ระยะระยะแรกนี่จะเป็นศูนยปีเขาเรียกปฐมวัยปฐมวัยนี่จะเป็นระยะที่ร่างกายจเจริญเติบโตได้เร็วมากคนจะทํากิจวัตรประจําวันนั้นมันผิดเพี้ยนยังไงมันไม่ค่อยป่วยหรอกเพราะฉะนั้นคนในช่วงอายุนี้ชอบประมาา พอกินอะไรทำอะไรผิดนอนดึกมันก็ไม่ค่อยป่วยเพราะมันเป็นธรรมชาติของร่างกายเขาเรียกว่าขาขึ้นนะพอถึง16ถึง32มันเริ่มจะคงที่ไปแล้วนะตอนนี้ก็ถ้ากินอะไรไปมันก็เริ่มจะฟองแต่ก็ยังไม่ได้หมายถึงว่าเข้าสู่ภาวะเสื่อมสักเท่าไหร่นะคะ คนในช่วงคนในช่วงอายุนี้ก็จะชอบประมาณเพราะมันเป็นช่วงที่เราทำมาหากินบางคนเนี่ยจะเอาชีวิตไปฝากไว้กับงานบางคนจะเอาชีวิตไปฝากไว้กับคนรักทำเพื่อคนอื่นมากจนเกินไปจนทิ้งตัวเองเพราะในสภาวะนี้ร่างกายเขาจะไม่ค่อยเจ็บค่อยป่วย แต่จะมีบ้างจะมีมากกว่าในช่วงปฐมมวัยนะคะพอปัจฉิมวัยเป็นความเสื่อมที่ร่างกายต้องเสื่อมไปตามวัยคุณไม่ไปทำอะไรผิดนั่งอยู่คุณก็จะป่วยเพราะร่างกายจะเกิดภาวะเสื่อมถ้าคนไหนเข้าใจวงจรหรือพัฒนาการของชีวิตแบบนี้ท่านจะไม่ค่อยทุกขแม้อายุมาเลยสามสิบสองแล้วเขารียกปัจฉิมวัยมันก็ต้องเสื่อมมากเจ็บมากเพรา ะ, ะนั้นอย่าไปกลัวในเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายนะคะนะทีนี้เนี่ย เมื่าพัฒนาการไปแบบนี้อะไรนะ่ะที่พวกเราจะต้องได้รับร่มนี้ไหมพนคือการเกิดนะเพราะเกิดมาแล้วท่านจะต้องแก่นะแก่แล้วท่านจะต้องเจ็บแล้วท่านก็ต้องตายมองให้มันเป็นัะขาตาถ้ามองไม่เป็นตะขาตาท่านจะทุกข์ไปตลอดชีวิตบางคนเนี่ยพอมารักษามะเร็งเริ่มดีนะจิตยังไม่ได้ปล่อยวางนะ มีอาการปวดขาวว่งมาหาอาจารย์อาจารย์มันปวดอีกแล้วนั้นก็จิตคิดว่าแต่เป็นมะเร็งหมอก็าเลยว่าโอ๊ยหมอปวดมากกว่าคุณนะไอ้คุณเป็นแค่นี้มองให้มันเป็นตะคะตาจีมองให้มันเป็นธรรมดาอย่าไปทุกข์กับมันมากบางครั้งก็ทุกข์กับมันมากใลยอาการจะปวดมันจะมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เข้าใจว่าตัดสงสารที่ตัวเองเป็นถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ท่านจะทรมานมากตอนที่ท่านกำลังจะตายหรือแม้กระทั่งตอนที่ญาติท่านตาย ถ้าคนไหนมองเป็นเรื่องธรรมดานะท่านจะไม่ทุกข์นะหรือทุกข์ก็ไม่ทุกข์มากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำวัฏตาสองสารให้ดีๆเกิดก็ต้องเกิดมาแล้วแก่ก็กำลำกังจะแก่เจ็บก็กำลังเจ็บตายก็กำลำกัง จ, จะมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักของแพทย์วิถีพุทธจะสอนวิธีการเตรียมตัวตายอย่างมีคุณภาพนะค ะ, นะคะตายแบบสงบตายอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณหมอเคียวจะสอนแต่ตัวเองเนี่ยถ้ามีโอกาส จะจะสอนในเรื่องของการวิ่งไฉอาการก่อนตายก่อนที่คนจะตายมีอาการอย่างไรนะคะให้ไปสังเกตดูจะสอนวิธีสังเกตก่อนที่คนใกล้าตายเป็นอย่างไรนะคะนะแต่คุณหมอเขียวเขาจะสอนในเรื่องของการวางขันแบบสงบการส่งวิ ญ, ญญาณแบบสงบนะคะนะน ะ, นะทีนี้เนี่ยเรามาดูในเรื่องของว่าเราเติบโตมาเป็นคนไปแล้วเนี่ย มันจะมีส่วนประกอบอะไรนะเครียกกายวิภะ ปการวิภาคศาสตรและสรีระนะคะากายิภาพศาสตรก็คือโครงร่างพวกกล้ามเนื้อต่างๆนะคะสรีระก็คือหน้าที่ของเอาไว้ต่างๆภายในร่างกายของพวกเราตับไตไส้พุงอยู่ตรงไหนเรามาเรียนกันคร่าวๆนะคะเส้นลมปราณเป็นอย่างไรนะคะนะาการวิภาพสรีระนะถ้าเคยไหนเรียนในเรื่องสาสุขมาแล้วคง ม, มีพื้นฐานนะพะอาจารย์จะให้ไปเรียนจบๆนะไปดูเ้าผ่าตัดจบแล้วเข้าไปเรียนในห้องแกอกซ์เขาเรียกแกอกซ์นะจะมีอาจารย์ใหญ่นอน แล้วก็ไปดูตับไตไส้ภุงอยู่ตรงไหนอันนี้นะคะตัวเองก็ไปเรียนนะเรียนใหม่ๆดูกินก๋วยเตี๋ยวไม่ลงเลยเนาะมันเจอตับไตไส้ภุงเนาะลงมาจากห้องแอกซ์ เ, เรียกแบกซ์โมมาเจอก๋วยเตี๋ยวนี่พวกแตกเลยเนะาะคนเนื้อเหมือนไก่เลยนะเพราะเนื้อคนเวลา อ, าอัพอลลินมันจะเหมือนเนื้อไก่เลยเนาะเออแต่พอไปพอมาเราไปเห็นอาจารย์พอเราไปดูงานที่โรงพยาบาลตำรวจเห็นเขาผ่าตัดศพแล้วถลกหนังซีสต์ออกแต่แล้วเขามือหนึ่งเขาก็ไปเงื่อม น้ำโคกมาดื่มมือนึ่งเขาก็จับคีมอ่ะที่จะเตรียมผ่าตัดอะไรเนี่ยเออเป็นเรื่องธรรมดานะแต่พอใหม่ๆเรายังไม่คุ้นมันเลยเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่เรียนแล้วสนุกนะคะจะรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะคะนะระบบของร่างกายเขาจะแบ่งออกในของแพทย์ในปัจจุบันจะแบ่งเป็นเก้าระบบนะเก้าเรื่องอะไรนะเดี๋ยนะอ่าอ่าใช่ในของแพทย์ปัจจุบันแบ่งเป็นเก้าระบบแต่ในแพทย์วิธีพุทธจะแบ่งระบบ ทีขึ้นมาคือเมริเดียนซิสเต็มคือระบบของลมปราณเข้ามาในแพทย์ตะวันตกเนี่ยเขาจะแบ่งโครงสร้างระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยเป็นเ้าระบบของเราเป็นสิระบบแรกก็คือโครงร่างของร่างกายหรือโครงสร้างของร่างกายโครงสร้างของร่างกายคือพวกกระดูกนี่แหละนะพวกเราต้องมีกระดูกเป็นโครงสร้างนะคะเป็นโครงร่างของร่างกายกระดูกที่เป็นแกนกลางของร่างกายคือกระโหลกศีรษะแล้วก็ กระดูกสันหลังนะคะทีนี้เนี่ยในในระหว่างของกระดูกสันหลังเนี่ยนะคะนะอันนี้ด้านหลังนะไม่ใช่ด้านหน้านะด้านหลังมองเห็นกระดูกสันหลังเลยนะคะในกระดูกสันหลังหรือหรือระหว่างกระดูกซี่โคงเนี่ยนะคะมันจะมีเส้นประสาทนะเส้นประสาทมันก็จะตีคู่มากับพวกเส้นลมปราณ น, นะคะ เนี่ยไม่ใช่มีเส้นประสาทเฉยแล้ววันนั้นทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าคนที่มีปัญหาปวดเอวบ่อยๆมบันทึงเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในอวัยวะช่องท้องเช่นปักเพราะอะไรนะคะเรามาดูนี่คือกระดูกสันหลังด้านหลังของร่างกายเรานะคะอันนี้มันจะเป็นขาออกมานเนี่ยอันนี้เป็นเชิงกลาง เชิงกลางตรงนี้ที่มันก็จะมีอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้หญิงผู้ชายอยู่นะคะเด็กเด็กที่เวลาตั้งท้องอะ่ะมันก็จะมีมดลูกอยู่ด้านหน้าเนี่นะเดี๋ยวค่อยเรียนอีกระบบหนึ่งทีนี้นี่ในคนที่มีปัญหาเรื่องปวดเอวมันจะไปเกี่ยวกับมะเร็งได้อย่างไรนะในในช่องว่างระหว่างของกระดูกสี่โครงเนี่ยมันจะมีเส้นลมปราณ น, นะเว้ย แจะมีเส้นลมปรางนะคะทีนี้นี่อาการปวดหลังปวดเอวของเราส่วนใหญ่ก็คือความร้อนมันเผากระดูกเราสังเกนะเลยฮะเราเคยโยนเนื้อเข้ากลองไปเห็นไหมเนื้อมันจะบิดเยี่ยวไปสาราพัดรูปเลยทีนี้โรคใบนี้มันร้อนอาหารที่เรากินเข้าไปก็เป็นของร้อนซะส่วนใหญ่นิ่งคนไหนเล่นมาไม่เคยมาเข้าค่ายแพทวิธีพุทเนี่ยเลือกผักร้อนผักเย็นไม่เป็นเลยกินดะนะประทรงสาธารณสุขบกกินผักเยอะเลือกไม่เป็นเน่ย ความร้อนในร่างกายมันจะเพิ่มขึ้นจากการเลือกอาหารไม่ถูกประเภทนะอยู่ใกล้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์นะคอมพิวเตอร์พับรถจนบ่อยความร้อนมันเผานะจิตใจที่มีแต่ความกลัวกังวลเครียดอยู่ตลอดเวลาเผาตัวเองเมื่อเผาตัวเองแล้วมันจะเผาในกระดูกเนี่ยบิดงองเหมือนเนื้อที่เราโยนเข้ากล่องไฟนะทีนี้กระดูกสันหลังมันเกิดการบิดงองปั๊บมันจะไปทับเส้นลมปราณตอนที่เราเกิดมาใหม่มันตรงนะ พอมันโดนความร้อนเผามันบิดงอมันไปทับเส้นลมปราณ น, นะสมมติว่าเส้นลมปราณจนนั้นมันวิ่งผ่านไปเลี้ยงสักปาเส้นลมปราณตัวนี้โดนกระดูกสันหลังทับแล้วบิดงอเหมือนเอาหินไปทับหญ้าเห็นไหมหญ้ามันจะเริ่มซีดแล้วก็เหี่ยวตัวกระดูกสันหลังที่ไปทับเส้นลมปราณก็เหมือนกันทิ้งไว้นานเส้นลมปราณนี้มันจะแคบจะเหี่ยวลงพลังที่ดีวิ่งไปตักไม่ได้พลังเสีย ว, วิ่งออกจากตักไม่ได้ ทำให้ต่บเนี่ยเกิดการบาดเจ็บเพราะคุณไม่แก้ปัญหาในเรื่องของการจัดกระดูกสลังบริเวณนะั้น บริเวณเลีย้ยวให้เข้าที่คุณก็ไม่ใช่แต่ยากแก้ปวดเอาไปเอามาตับของคุณเนี่ยไม่ได้รับอาหารที่ดีไม่ได้เอาระบายของเสียออกเขาเกิดการเจ็บปว่วยทิ้นเวีนานมะเร็งมันจะตามมานะไม่ได้หมายความว่ามะเร็งเกิดจากกรรมพันธุ์เกิดจากอาหารอย่างเดียวพลังปานที่มันไม่ฉรวงด้วยนะคะนะเพราะนั้นในตัวเองโชคดีได้มีโอกาสอยู่กับคนไข้มะเร็งจะถามเลย นะก่อนที่จะเป็นมะเร็งตับเนี่ยเป็นอะไรมาก่อนทำไมมาเจอตอนห้าเส้นเจดเส้นตอนมันเป็นน้อยๆทำไมไม่เจอผมจะมาเรื่องแน่นท้องปวดเอวและอ่อนเพียอาการสามหลักนี่แหละที่ตัวเองเจอพะตัวเองไม่อยู่ในคลินิกเพนเพนคลินิก จะดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายนะบังเอิญได้เป็นหัวหน้า ง, งานแพทย์ทางเรื่องของโรงพยาบาลแห่งหนึง่งนะแต่ไม่มีลูกน้องนะเป็นหัวหน้าอีกคนเดียว <c oughs> ก็เลยอิสระในการทํางาน <c oughs> พอเราอิสระในการทํางานปุ๊บว่าเราเอาประวัติคนไข้ามาศึกษาอะไรทําไมเป็นยอดจังเลยมารับยาจังนาีหอบกลับบ้านไปพอไปกินได้สักหน่อยตายยาก็เอาอยามาคืนนะ ครั้งที่ให้คนไข้กลับไปกินบ้านเป็นแบบนี้เลยนะให้หมอฟีนให้ยาระบายให้ยาแก้ปวดบางคนีตอนใจตายก่อนเพราะว่าเห็นยานะเสร็จแล้วก็ยามาคืนหมอตัวเองก็มานัา่งเดือดรเป็นอะไรทําไมมาเจอมะเร็งเอาตอนห้าเซนเจ็ดเซนตอนเป็นน้อยๆทาไมไม่เจอคนไข้หลายคนบอกหมอไปหาหมอทุกครั้งนะ่าตรวจเช็คสุขภาพประจําปีทุกครั้งแต่ทําไมผมเป็นมะเร็งเห็น <He ard S 2> ไหมฮะ อดอีตผู้บริหารของประเทศไทยยังเป็นมะเร็งเลยเป็นไปได้เหรอข้าราชการระดับนี้จะไม่ตรวจสุขภาพประจาปีทุกปีจริงไหมเออหนะ้าคิดนะอยู่ๆแล้วก็เจอมะเร็งที่ตับหกเซนหรือเ็ดเซนอะตอนนั้นอะนะตอนนี้ไปบินไปรักษาทิ้อนอกนอกอยู่ะเพราะอะไรนะเพราะว่าไม่ได้สนใจในเรื่องของปลานนะ การวิ น, นิจฉัยโรคของแผนปัจจุบันยังไม่คุมนะอย่าน่าคิดมากเลยทำไมดาราทำไมคมนมีอันะกินเหล่านี้ถึงตายทบมริงแต่คนนี้ยังไม่ตา ย, ยานะเนี่ยนะสองคนนี้ตายไปแล้วนักร้องเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าคิดนะ ถ้าไม่ได้เอาเรื่องของปานมาพิจารณาช้าในการทีิจฉัยโรคนางเห็นไหมเน ย, ยเนี่ยเนี่ยเวานเป็นอะไรมาก่อนเบาหวานความดันก่อนที่จะเป็นมะเร็งและคนไข้คนไหนที่เป็นเบาหวานความดันโรคแห่งความเสือ่อมถ้าไม่แก้ไขจะจบด้วยเรื่องมะเร็งอย่างปฏิกรณ์ที่มาพูดตอนเที่ยงก็เหมือนกันที่ได้ไปล้างไตก็เริ่มจากการเป็นเบาหวานก่อนท่านอย่านึกนะว่าท่านเป็นเบาหวานและกินยาไปตลอดชีวิตท่านจะไม่เกิดอะไรขึ้น ท่านกำลังจะ ก, ก่อมะเร็งให้กับตัวเองข้อ เ, เหตุปตัจจัยของการเกิดมะเร็งก็เกิดจากพวกนี้มาก่อนนะคะมันเป็นเหตุอย่างเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังดีๆมะเร็งไม่ได้เกิดเฉพาะในเรื่องอาหารกรรมพันธุ์หรือเชื้อโรคนะปราที่ไม่ฉรวงก็มีผลต่อ ก, การเกิดมะเร็งเช่นกันแล้วทําไมพาท่านมาทำโยคะเอาท่านมาตั้งศูนย์ถ่วงล้อให้ปร า, าทม่ไม่วง ทำไมคนไข้มะเร็งหลายๆคนถึงดีขึ้นอาการแน่นท้องทำไมดีขึ้นก็ทําทให้การมันทะลวงอะ่ะ <c oughs> ก็จัดตัวดัดตนทุกเช้าอะ่ะนะง้างหินอบอกัดหญ้าดึงกระดูกสลังที่มันไปทับเส้นลมปรานออกให้ท่านอะ่ะมันก็เลยทะลุทะลวงได้อาหารสุขภาพไปช่วยทะลุทะลวงอีกแล้วทําไมจะไม่ดีขึ้นเพราะรักษาถูกที่นะอย่างว่นเช้าเนี่ยมีคนไข้เอยามาพึกไปนั่งคุย ด, ด้วยเขาบอกเขาดีขึ้นแต่ก่อนนี้แขนแทบจะไม่มีแรงนะ พอให้อาหารไปทะลุทะลวงเส้นลมปราณแล้คนไข่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่เราจะเรียนเรื่องปลานะในเวลาที่เรียนอยู่นะคะเรามาดูในเรื่องของการวิภากสรีระอีกระบบหนึ่งนะคะนะระบบที่2คือระบบกล้ามเนื้อนะกล้ามเนื้อก็คือมันมีหลายมัดมีกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อหัวใจนะ อันนี้จ่าจะไม่พูดถึงอันนี้คือระบบของแพทย์แพทย์แนปัจจุบันที่เขาแบ่งกันแต่ว่าเส้นลมปราณก็อยู่ระหว่างล่องกล้ามเนื้อเหมือนกันถ้ากล้ามเนื้อตัวไหนมันเกิดการรัดการมัดนะคุณยังไปใช้แต่ยาแก้ปวดระวังมะเร็งมันจะตามมานะถ้าคุณไม่ปกดเส้นลมปราณให้มันชะลวงคุณใช้แต่ยากดมันไว้ก้อนที่มันมัดแน่นๆมันจะกลายเป็นเม็ดสากลมันจะไปพั้นอาจอั้นพลังไม่ให้มันเคลื่อนนะ โรคต่างๆมันจะตามมานะตาลายหูอื้อมันจะมาหมดนะแหละนะเพราะปรานไม่ทะรวงนะระบบที่สามคือระบบประสาทระบบประสาทคืออยู่ที่สมองและไขเปรนไขเอ่อไขสลังนะคนที่ใช้ยากแก้ระงับประสาทเป็นประจำนะอย่างเช่นนอนไม่หลับ นะนอนไม่นับเกิดจากภาวะร้อนขาดความสมดุลของร่างกายนะแพทย์ในยุคัจจุบันวิจัยไม่ออกเพราะในเรื่องของการขาดความสมดุลของร่างกายเขาไม่ได้เรียนมานะเขาไม่ได้เรียนรู้เรื่องพลังแต่ไม่ได้หมายเพราะว่าเขาผิดนะเ้าถูกของเขาแต่เขาเรียนไม่ถึงนะบางสิ่งบางอย่างในโลกพระเจ้าบอกว่าคุณอาจจะเรียนไม่ถึงขอให้คุณเปิดรับ นะตัวเองโชคดีกําเนิดเกิดมาจากแค่ตะวันตกแต่ตัวเองโชคดีไปเจอครูบาอาจารย์ดีท่านสอนให้เปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาคุณอย่าได้เตะทิ้งอ่านักเรียนว่าครูบาอาจารย์หมอแตา อ, อย่าเตะทิ้งนะอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์กับมวลมนุษยชาติให้คุณรับเอาและศึกษาด้วยปัญญาถ้ามันไม่ดีให้คุณทิ้งไปแต่ถ้าอันไหนดีที่จะก่อประโยชน์ให้มวล น, นชาติคุณทําต่อไปนะคุณอย่าไปปิด ก, กั้นตัวเองนะ่ะ จะทําทตัวเป็นน้ําที่เต็มแก้วนะต้องทําตัวเป็นน้ําที่พร่องอยู่เสมอความรู้ใหม่ๆมันจะเทเข้ามาเหมือนพี่น้องตอนเนี้ยเชื่อว่าพี่น้องเป็นคนเปิดรับนะจงมีโอกาสได้มาเรียนแพทย์วิถีพุทธนะคะทีนี้เนี่ยคนไหนนะที่มีอาการเรื่องายขาดความสมดุลบางทีตรวจด้วยเคื่องมือแพทย์แผนวิบัตไม่เจอนะอันต้ายสาวไม่เจอตรวจเรื่ไม่เจ อ, จเอไตมัน ม, มีอาการ พราตัวเองมีเป็นจาก่ายและเจอคนไข้<ม>เพราะตัวเองก็เคยเป็นเสร็แล้วเข้าไปหาคุณหมอแพทย์ปัจจุบันเขาจะให้ยานอนหลับมากินเป็นส่วนใหญ่เพราะเขาคิดว่าเป็น neurosis นะโรคอุปัติานโรคคิดไปเองเพราะเขาตรวจได้แต่มู่แพทไม่เจอแต่มันมีนจริงๆถ้าคุณจะยานอนหลับมันจะเกิดอะไรขึ้นยานอนหลับมันจะไปกด ร, ร, ระบบประสาทอย่าลืมว่าระบบประสาท ข, ของร่างกายเขาจะไปคุมระบบอื่นด้วยสองระบบที่หมอเรามาทั้งหมดก็ถูกคุมโดยระบบประสาทนะอีกเ อีกห้าหกระบบที่หมอจะนําเรียนที่น้องไปก็ถูกคุมด้วยระบบประสาทถ้าคุณใช้ยาระงรับประสาทเป็นประจํายานอนหลับเป็นประจําระบบอื่นจะถูกคุมไปด้วยจะไม่ได้คุมเฉพาะระบบประสาทเพราะระบบประสาทไปคุมระบบอื่นพอระบบประสาทถูกคุมมันก็จะไปคุมระบบอื่นเช่นกันการหลเรียนคุณลึกจะ ไ, ไม่ดีระบบการทํางานของกล้ามเนื้อก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนสตาร์ทเรื่อยงยานอนหลับระบบอื่นจะเสียไปหมดเลยนะ ยิ่งกินยิ่งดื้อยา AH, ยิ่งกินยิ่งดื้อยาเพราะไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุใหมๆ่ๆกินยานอนหลับจะหลับดีพอกินไปเรื่อยๆ เ, เหตุไม่ได้ดับเขาจะเพิ่มจํานวนยาให้เป็นจากสองมิลลิกรัมเป็นห้ามิลลิกรัมห้ามิลลิกรัมไม่อยู่เอาสมิลลิกรัมสิมิลลิกรัมไม่อยู่เอายี่ห้ามิลลิกรัมยี่ห้ามิลลิกรัมไม่อยู่เปลี่ยนชนิดยาเป็นยาแก้โรคประสับโรคจิตไปเลยระบบการเปลี่ยนยาของกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นแบบนี้แต่พวกเราไม่รู้ถ้าคนไหนไม่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขนี้จะไม่รู้กินไปต ตามระบบที่คุณหมอให้นาสังเกตแต่ ว, ว่าสียามันเปลี่ยนแต่หารู้ไม่ว่าความแรงของยามันเพิ่มคุณสตาร์สองมิลลิกรัมเพิ่มเป็นห้ามิลลิกรัมสิบมิลลิกรัมยี่ห้ามิลลิกรัมเปลี่ยนประเภทยาจากยาโรคประสาทเป็นยาโรคจิตเวทเป็นจิตเวทตามมาอะไรครอบครัวก็ได้รับผลกระทบกระเทือนประเทศชาติก็ได้รับผลกระทบกระเทือนดีไม่ดีายางไปยังมาเขาเชิญออกจากงานนั่นคือการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง น, น, ะนะคะนะอีกระบบหนึ่งคืออะไร การไหลเวียนเลือดก็เป็นอีกระบบหนึ่งในร่างกายที่สําคัญร่างกายของพวกเราได้รับอาหารเพราะว่ามีระบบการไหลเวียนเลือดการกินอาหารเข้าไปไปถึงกระเพาะไม่ได้หมายว่าสิ้นสุดของการย่อยอาหารการย่อยอาหารจะไปสิ้นสุดในระดับเซลล์เนื้อเยื่อนะคะเพราะฉะนั้นตัวที่จะพาอาหารไปสู่เนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายคือเลือดนะในเวลามันจะหมดเอาผ่านทางนแล้วกันะก น, นะระบบหายใจนะ ระบบหายใจนี่ก็สำคัญถ้าคนไหนไม่หายใจก็คือคนที่ตายแล้วนะคะระบบหายใจก็คือนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายของพวกเร า, เ อ, าออกคาร์บอนไดออกไซด์ออกนทํามันก็มีเอาไว้วะต่างๆที่สำคัญเยอะแยะเลยนะคะนะระบบการย่อยอาหารนะ ระบบการย่อยอาหารก็เริ่มตั้งแต่ปากนี่แหละนะตรงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงดูดถาวรนะคะนะระบบอะไรอีกละ่ะระบบขับถ่ายนะพวกซีเครตนะระบบขับถ่ายพวกขับปัสสาวะอะไรทั้งหลายนะคะร่างกายของเรามีแบบนี้นะนี่ตับมันอยู่ฝั่งขวานี่นะไข่โค้งข้างขวาเนี่นะบางคนไม่เข้าใจนะแต่เพราอาหารอยู่ทางซ้ายนะคะนะลาไส้ีอยู่ทั้งสองฝั่งเลยนะคะไส้ติ่งอยู่ทางท้องน้อยข้างขวา น, นะคะลงมาต่าๆนะคะ อายโครงข้างซ้ายนี่นะชายโครงข้างซ้ายจะเป็นที่อยู่ของม้ามนะคะนะตับนี้มันจะอยู่ข้างในเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปอาจารย์จะบรรยายในเรื่องของตับให้ฟังตับสําคัญอย่างไรนะทําไมคนเป็นมะเร็งตับเยอะนะถ้าตับพังทําไมยัขืนต้องพังด้วยนะเอาเอาเดี๋ยวมีเวลาในะชั่วโมงต่อไปดีกว่านะคะนะระบบต่อไร้ท่อนะคะอันนี้จะผ่านผ่านไปนะเดี๋ยวคยุณระบบสืบพันธุ์นะ ตอนนี้ผู้หญิงเป็นมะเร็งมดลูกเยอะทําไมถึงเป็นมะเร็งมดลูกและทำไมผู้ชายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเยอะเพราะอะไรนะเพราะปรานบริเวณเชิงกลานมันไม่ทะลวงอันนี้มันจะอยู่ในอุ้งของเชิงกรานนะคะเนีย่ยมันอยู่ตรงนี้นะเนีย่ยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะแต่มันอยู่ด้านหลังนะคะนะเนีย่ยพวกเนี้ยนะคะนี่แหละตัวนี้แหละสําคัญนะระบบเส้นนะคําว่าเส้นไม่ใช่เส้นเอ็นที่เราไปเห็นเส้นเอ็นไก่นะเส้นตัวนี้มันไม่มีเส้นแต่มันเป็นร่อง เป็นร่องของพลังที่มันผ่านนะในแพทย์ตะวันตกเนี่ยเขาจะมองเส้นเอ็นเป็นเส้นเป็นเส้นออกอันนี้ไม่ใช่แต่ในแพทย์วิถีพุทเนี่ยเขาจะมองระบบเส้นเอ็นเมริเดียนเนี่ยเป็นท่อที่ทอดไปตามไปตามส่วนต่างๆของร่างกายใช่ไหมคะแต่เป็นกี่บ้านสาขาเ น, นี้นะแบบนี้นะนไหมฮะเส้น แต่คําว่าเส้นต่างๆเนี่ยมันส า, ม, ามันไม่สามารถที่จะจับได้มันเป็นร่องนะคะนะมันเป็นร่องเป็นร่องแในแพทย์แผนจีน ม, มีตั้งหลายเส้นนะเห็นไหมเต็มร่างกายเลย น, นะแต่แพทย์ปัจจุบันไม่ได้เรียนตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาจะมองข้ามนะแต่แพ่วิถีพุที่จะเติมเต็มในเรื่องของระบบเส้นให้นะคําว่าเส้นของแพทย์วิถิพุทธไม่ใช่จับเป็นเส้นนะนะต้องทําความเข้าใจนะเป็นที่วิ่งของลมปราณ น, นะคะนะ เส้นต่างๆเนี่ยะระบบเส้นก็คือท่อเมนที่ทอดยาวไปตามร่างกายนะคะแต่กิ่งต่างสาขาออกไปเชื่อมเอาไวว่าภายในและภายนอกให้ติดต่อกันทําไมเอาไว้ว่าภายในร่างกายมีปัญหามันถึงสะท้อนออกมาข้างนอกได้ทําไมตักมีปัญหามันถึงสะท้อนออกมาที่ตาเพราะมันมีปลายระบบเส้นตัวนี้เชื่อมกันนะคะอย่างตาดำมีตามีมเนื้อมาเกาะเนี่ยก็คือตักมันร้อนนะ ขาวเนี่ยมีเส้นใยออกมาแดงๆคือปอดมันร้อนนะมุมตา this คือการทํางานของหัวใจนะรูม่านตารูตาดําคือการทํางานของไตอะไรประมาณเนี้ยมันสะท้อนกันหมดเลยมันสะท้อนได้ยังไงก็มันสะท้อนด้วยระบบเส้นนะคะหรือบางคนเนี่ยมีความร้อนในร่างกายเยอะแสดงออกในการนอนกรนเนี้ย มันจะท้อให้เรารู้หมดเลยการนอนกรนไม่ใช่เรื่องธรรมชาตินะเป็นเรื่องของการผิดธรรมชาติคือภาวะร้อนจัดนะท่านใดที่มีคนในบ้านครอบครัวนอนกรนนะ่ะให้ระวังดีมันจะนำเข้าสู่โรคร้ายที่รุนแรงขึ้น นอนกรนไม่ใช่ธรรมชาติแม้กระทั่งนอนน้ำลายไหลยืดไม่ใช่แต่ก่อนตัวเองเป็นคนชอบนอนน้ำลายไหลตัวเองต้องเล็บมันเกิดอะไรขึ้นหามห้อนสูงมานอนมันก็ยังไหลยอยู่มันเป็นภาวะกระเพาะอาหารมันร้อนจากนะจากการบริโภคอาหารที่มันร้อนจัดมันจะดันความร้อนมันจะดันขึ้นมาทําให้เรานอนน้ำลายไหลตั้งแต่มาทานมงงสวิรัติแล้วปฏิบัติตัวใหม่ต่ อ, อ ต่อให้นอนไม่หลุนหมอนก็ไม่ไหลเดี๋ยนี้ตัวเองไม่ใช่หมอนน้ําลายก็ไม่ไหลนะเพราะเรื่องการนอนนะบ่งบอกถึงสภาวะโรคในร่างกายด้วยบางคนนี่นอนหันหน้าออกหน้าต่างไม่ใช่เขารอกใจเรานะไม่ใช่ไม่ใช่สามีเบื่อเรานะบางเทีเข้าเกิดภาวะร้อนจัด ร่างกายก็ต้องการความเย็นที่ผ่านมาทางหน้าต่างหรือประตูนะบางคนจะนอนหันหน้าเข้าห้องนอนเพราะว่าเขาเย็นจะเขาต้องการความอบอุ่นเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์โรคการไม่ได้ฉายโรคไม่ได้หมายความว่าคุณต้องไปเจาะเรื่องเรือดอันตราซอย่างเดียวไม่ใช่นะถ้าคุณมาเรียนแพทยวิธีคุณมันจะได้มากกว่านั้นมันได้มากกว่านั้นมันได้ประโยชน์อย่างไรมันป้อระวังโรคนะที่จะตามมานะโดยเฉพาะมะเร็ง น, นะทำไ ในปัจจุบันมะเร็งที่เป็นเยอะตัวหนึ่งที่ทําให้มะเร็งเป็นเยอะคือการวินิจฉัยที่ช้านะวินิจฉัยที่ช้าเพราะมันเป็นแล้วคนไข้ก็กลัวกลัวเสร็จความกลัวทําให้โรคเขารุนแรงขึ้นก็เลยช่วยเขาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นท่านมาเรียนแพทย์ที่ผูหมั่นสังเกตให้ดีๆนะคะแม้กระทั่งท่าเดินบางครั้งยังบอกโรคได้เลยนะอะหมดเวลาแล้ว เดี๋ยวค่อยเจอกันอีกนะคะจะเป็นช่วงมงหคุณงหมอเคียวช่วงนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะขอจะเจริญทรรชมฤทธิ์ีค่ะ <S <S พี่น้องพัก10นาทีนะคะ